เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยเปลี่ยนสังคมก็ไม่ค่อยเปลี่ยนสภาพอะไรต่ออะไรมันไม่ค่อยเปลี่ยนมันมาเปลี่ยนมากอายุคของพวกเรานี้เองเศรษฐกิจเปลี่ยนสังคมเปลี่ย น, ยนการเมืองเปลี่ยนศา ส, สนาก็ต้องปรับวิธีการเผยแพร่จไปเผยแพร่แบบเก่าไม่มีใครฟังแล้วฟังไม่รู้เรื่องด้วย ในความเป็นจริงแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของสดใหม่ทันสมัยเสมอนะไม่เคยล้าสมัยเลยแล้วเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ตลอดการไม่ใช่ประโยชน์ช่วครั้งชั่วคราวแล้วเป็นความจริงตลอดการด้วยไม่เหมือนอย่างวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้วิทยาศาสตร์มันเป็นความจริงชั่วครั้งชั่วคราว ยกนี้ก็เชื่ออย่างนี้อีกยกหนึ่งก็เปลี่ยนพิสูจน์แล้วไม่จริงแนละ้วเปลี่ยนนะแต่ธรรมนะนั้นไม่เคยเปลี่ยนอย่าว่าแต่พระพุทธเจ้าสั่งสอนมาแล้วตืบทอดมาถึงวันนี้กนะ็ไม่เปลี่ยนไม่ใช่เรื่องแปลกคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนๆขึ้นไปอีกนับไม่ท่วนก็สอนในเรื่องของอริยสัจเหมือนกันเองไม่ว่ากี่องค์กี่องค์ก็สอนนั่นเดียวกัน คือเป็นความจริงแท้ซึ่งไม่เปลี่ยนตามเวลาแม้ในอนาคตการจะมีพระพุทธเจ้าขึ้นมาอีกกี่พระองค์นะกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนพระองค์ก็ตามธรรมะที่สอนก็เป็นอันเดียวกันนี่เองแหะพวกเรานะไม่ต้องไปตื่นเต้นกับวิชาทางโลกนะักหรอกวิชาทางโลกเปลี่ยนไปเรื่อยๆ อ, อย่างยุคหนึ่งนะ สมัยจอมพลปอมีโฆษณาบอกว่ากินไข่นละฟองไม่ต้องเรียกหามหมอให้กินไข่นะยุคนึงกินไข่ไม่ได้แนละ้วยุคนี้ก็มีการไปวิจัยอีกจะให้กินไข่อีกล้นี่ตกลงไม่รู้กินได้หรือกินไม่ได้ไม่เหมือนธรรมะธรรมะไม่เปลี่ยนงั้นเราศึกษาสัจ ธ, ธรรมความจริงอันนี้แหละ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 ถ้าชีวิตนี้ยังไม่ได้ชีวิตถัดๆไปก็ได้นะพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้พุทธเจ้าต่อไปก็ทําได้นวัตตะมันก็วนเวียนอยู่ตลอดนะกุศลที่สะสมไว้ก็เป็นวิบากเก็บเอาไว้อากุศลที่สะสมไว้ก็เป็นวิบากเก็บเอาไว้เป็นความเคยชินความเคยชินที่จะสร้างคุณงามความดีก็เรียกบารมีความเคยชินที่จะทําชั่วเรียกอนุสัยเป็นความเคยชินของจิตทั้งสิ้นเล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 งั้นเรามาตั้งใจนะตั้งใจงดเว้นการทำบาปอาภุศสทางกายทางวาจา5้าอย่างนะในสีลห้าสีลห้าพอแล้วสำหรับการที่จะปฏิบัติให้ได้มากผลนิพพานในขั้นโสดาสกตาคาเนี่ยสี่ห้าเหลือเฟือเลยพอไม่จาเป็นต้องสีน8สี่สิอะไรหรอกคมใจไม่ให้ทำตามกิเลสซึ่งมันมีกำลังแรงกล้านี่พอเราคมใจจนชินนะใจเรา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 ถ้าใจิตใจเราทำผิดศีลใจิตใจเราก็ฟุ้งซ่าน ง, ง่ายนะนั้นตั้งใจรักษาไว้ศีลห้าไม่ต้องให้บอกนะว่ามีอะไรบ้างถ้าไม่รู้ก็ไปหาหนังสืออ่านเอากนะ็น่าเป็นห่วงนะยุคเราคนพื้นฐานความรู้ธรรมน้อยมากเลยหลวงพ่อเคยดูรายการโทรทัศน์มี2ีสคํคำถามอะไรนะันนะสมัยนั้นตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะก็ถามว่าใครเป็น พรบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะนั่นตอบพระเทวทัตเฉยเลยฟังแล้วโอเศร้าใจเป็นพระบิดาของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถ ะ, ะ, ะา ช, าธธชื่อเทวทนะนะ mm ัตอะไรนี่เหมือนเลอะเทอะนะ mm hmm. ไว้ได้ศึกษางั้นเราศึกษาบ้างนะอย่างน้อยรู้ว่าศีลห้ามีอะไรบ้างแล้วก็ตั้งใจ mm hmm. สิ่งที่เราจะได้มานะก็คือใจเราจะสงบง่ายคนทุกวันนี้หาความสุขไม่ได้เลยเพราะใจฟุ้งซ่าน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 ฟุ้งซาง ส, าสเปสสป่าไปนะเรียกว่าอุทัด จ, จักฟุ้งไปในสิ่งที่ชอบใจเพลิดเพลิ น, นพอใจนะเรียกว่ากรรมฉันทะฟุ้งไปในสิ่งทึ่งไม่ชอบใจขัดเคืองใจเรียกว่าพยาบาทนะใะเนี้ยเป็นความฟุง้งฟุ้งมากๆก็เกิดลังเลสงสัยนะาอาศัยความฟุ้งนะัฟุ้งไปมากๆหมดเรีย่ยงหมดแรงก็ห ด, กดหูซ่ซึมไปเราะฉนั้นะนิวรณ์ห้าตัวนะเอาเข้าจริงนะใจมันฟุ้งนี่แหละ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 อยู่ๆมันไม่ตั้งหรอกยกเว้นแต่คนที่เคยฝึกมาในชาติก่อนๆหนนลวงพ่อตอนเด็กๆนะตอนเด็กๆ เ, เล็กๆ เ, เลยนะเล่นอยู่หน้าบ้านบ้านเป็นตึกแถวอยู่อลาจาักนี่เองไฟมันไหม้ตึกแถวใกล้ๆห่างออกไปสี่ห้าหลังจําไม่ได้แล้วรายละเอียดขี่หลังจําตัวเลขไม่ได้นะแต่ไม่ไกลเห็นไฟไหม้น่ตกใจ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 ไปงานลอยกระทงแล้วก็จุดพลุกใกล้ๆท่านท่านไม่ทันสังเกตแล้วจุดเปลี่ยนข้นมาตกใจจิตตกใจเห็นเลยจิตมันไหววุบแล้วจิตก็ถอดตัวมาเป็นผู้รู้เลยนะอารมณ์ที่ตกใจเนี่ยเป็นอารมณ์ที่แรงที่สุดนะเพราะงั้นส่วนใหญ่ที่ปรากฏขึ้นมาตอนเราเด็กๆถ้าเราเคยทําบธรรมชาติก่อนๆ น, นะอารมณ์ที่เป็นโทสะเนี่ยอารมณ์ตะกูลตกใจอารมณ์กลัวอารมณ์อะไรเงี้ยจะเป็นอารมณ์ที่แรงมันจะเห็นง่ายที่สุดเลย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 รู้ลมหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจรู้ท้องก็ไปเพ่งท้องรู้เท้าก็ไปเพ่งเท้าอีกอย่างหนึ่งก็ไหลไปคิดนะพุโทโธแล้วจิตก็หนีไปคิดหายใจไปจิตก็หนีไปคิดดูท้องของยกจิตก็หนีไปคิดให้รู้ทันจิตที่ไหลนะเราจะได้จิตตั้งมั่นไม่ได้จิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราก็มาเจริญปัญญาต่อนะมาดูกายทำงานมาดูใจทางานเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจ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 ถัดจากนั hes, body, la, ้นก็เอาจิตที่เป็นคนดูนี่แหละดูกายทํางานดูจิตทํางานเช่นจิตมันโลบขึ้นมาก็ดูรู้ทันจิตมันโลบขึ้นมาจิตเราเป็นคนดูความโลบเป็นของถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูความโลบเป็นของถูกรู้ถูกดูทันทีที่ระลึกได้ว่าความโลบเกิดขึ้นสติระลึกว่าความโลบเกิดขึ้นด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูความโลภจะดับทันทีเลยจะเกิดจิตชนิดใหม่คือจิตไม่โลบ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 ไม่มีความหลงแล้วก็ไม่โลภไม่โกรธหรอกนะเราคอยมีสติไว้คอยรู้ทันนะคอยหัดดูไปด้วยจิตเราเป็นคนดูแต่เดิมภาวนาไม่เป็นเวลาโกรธขึ้นมาเราไม่รู้ว่าจิตกำลังโกรธเราจะรู้แต่ว่าไอ้คนนี้ทาให้เราโกรธนี่จะไปดูของข้างนอกหนะมามาเห่าเรานะเราโกรธขึ้นมาเราก็จะดูไอ้หมาตัวนี้มาเกาะควนมาเห่าเราทำท่าจะกัดเราด้วยอะไรเนี้ย จิตมันจะดูออกนอกอย่างนี้คนภาวนาไม่เป็นเลยมันจะออกนอกนะพอมาหัดภาวนาเข้าบ้างนะจะเริ่มเห็นเลยความกลัวกับจิตเป็นคนละอันกันนะเห็นหมามาแล้วหมาวิ่งมาแล้วจิตเกิดความกลัวนะก็จะเห็นเลยความกลัวอยู่ส่วนความกลัวจิตอยู่ส่วนจิตจะแยกกันนะเนี่ยค่อยฝึกไปนะปัญญามันจะค่อยเกิดขึ้นจะเห็นเลยความกลัวนั้นเป็นสิ่งที่แปรปลอมเข้ามาความกลัวไม่ใช่จิต ความรอบความหลงความฟุ้งซ่านความโหดทูดีใจเสียใจสุขทุกทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เรื่องมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปจิตเราเป็นคนดูสบายๆอยู่แล้วตัวจิตที่เป็นคนดูเราก็ต้องระวังไม่ไปประครองเอาไว้บางคนหัดภาวนานะมีตัวผู้รู้ขึ้นมาแต่ไปประคองจิตเอาไว้มีตัวผู้รู้อยู่24ชั่วโมงเห็นทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เห็นทุกอย่างเปลี่ยนแปลงยกเว้นจิต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 อย่างดีนะไม่ตบมือด้วยโอ้ถูกใจถูกใจอย่างเงี้ยนะเนี่ยพยักหน้าตอนนี้หัวเราะรู้สึกไหมเห็นร่างกายหัวเราะใจเป็นคนดูเนีน่ยนะค่อยๆฝึกนะากายกับใจจะแยกกันพอากายกับใจแยกกันถึงจะไม่ได้มากผลนะเข้าพิเศษแล้วละ<ส>่ะเวลาแก่ขึ้นมากายมันแก่ไม่ใช่เราแก่เวลาเจ็บขึ้นมากายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บเวลาจะตายกายมันตายไม่ใช่เราตายนะ อ๋อมันไม่ทุรนทุรายเลยเวลาอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายนี่ขนาดไม่ได้มากได้ผลยังอศัศจรรย์ขนาดนี้เลยนะค่อยฝึกหัดแยกไปงั้นถ้าเรามีตัวรู้แล้วเราแยกธาตุแยกขันได้เห็นธาตุขันแสดงใจรักษได้นั่นแหละเรียกว่าเราจเจริญปัญญานะถ้าแยกธาตุแยกขันไม่เป็นนะนิ่งไปหมดเลยนะั้ใช้ไม่ได้เลยนะขันแยกออกไปแล้วแยกไม่หมดเหลือตัวหนึงนิ่งอยู่ตัวเดียวคือจิตนิ่งอยู่ตัวเดียวนะตัวอื่นเคลื่อนไหวก็ยังใช้ไม่ได้ถ้านะปล่อย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 อย่างพวกเรารู้สึกไหมในใจเราใครยคิดว่าทำยังไงแล้วจะดีปฏิบัติยังไงจะถูกนี่เรากําลังรูปรูปคํำคลำอยู่ถ้าไม่รูปคลาไม่ศีลรักษาปรรมานะไม่ถือศีลบาเพ็ญทสดงมไงนะไม่มีรักษาศีลห้าไว้นะมีจิตตั้งมั่นมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงก็เท่านี้เองถ้าเกินนี้เราก็รูปรูปคํำคลำทั้งหมดละไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมรรคนิพพานหรอกแต่เราชอบทํา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 ถ้าทำลดละความเห็นแก่ตัวก็ทําทไปเพื่อส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของศาสนาเพื่อช่วยสงเคราะห์ผู้อื่นอะไรเงี้ยไม่ได้ทำเอาตัวเป็นตัวตั้งนะอย่างเนี้เป็นกําลังที่จะช่วยลดละกิเลสนั้นถ้าถึงไปใส่บาตรนะแล้วขอให้ได้มากผลนิพพานขอไงก็ไม่ได้นะั้นแหละสีลพัตตาประมาทแต่ถ้าใส่บาตรแล้วรู้เลยละความเห็นแก่ตัวไปหลายอย่างเลยเริ่มต้นตั้แต่ละความขี้เกียจอยากจะนอนนานๆต้องตื่นมาแต่เช้ามาหาข้าวใส่บาตรอะไรเงี้ย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 เราไม่ได้รู้ทุกนะแต่เราจะเอาชนะทุกถ้าไม่อยากเอาชนะทุกเพรากูจะได้สบายกูจะได้สุขเห็นไหมทำไปแล้วกูตัวใหญ่กว่าเก่าอีกนั้นไม่ใช่ภาวนาเพื่อจะละทุกนะแต่ภาวนาเพื่อจะรู้ทุกจะเห็นเลยกายนี้ทุกลุนล้วนจิตนี้ทุกลุนล้วนหายโง่แต่เดิมเห็นว่ากายนี้เป็นทุกบ้างเป็นสุขบ้างจิตเป็นทุกบ้างเป็นสุขบ้างเรภาวนาแก่รอบนี่ยจะรู้เลยว่ามีแต่ทุกมากกว่ทุกน้อยสุขไม่มีหรอกสุขเป็นของหลอก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 เอาล้วไม่ยึดอะไรแล้วไม่ยึดอะไรแล้วพูดได้อย่างนั้นเป็นพระอรหันต์หมดโลกแล้วนะไม่เห็นเป็นเลยนะมีแต่หันซ้ายหันขวานีงั้นดูความจริงของาธาตุของขันธ์ของใครของใจเรื่อยไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยจิตเป็นกลางอภิเกลียรทุกนะพระเจ้าไม่ได้สอนให้เกลียดทุกแต่สอนให้รู้ทุกรู้แจ้งนะกายเป็นทุกถ้ารู้อย่างนี้ไม่ยึดกายถ้ารู้แจ้งว่าจิตเป็นตัวทุกก็จะไม่ยึดจิต ยึดอยู่เพราะเห็นว่ามันเป็นของดีถ้ารู้ว่าเป็นทุกข์ไม่ยึดหรอกเพราะนั้นมาเรียนความจริงนะมาเรียนความจริงไปเรื่อยไม่ยากหรอกหลวงพ่อเวลาสอนนะหลวงพ่อสอนแบบเทย่ามให้ถ้าสำนวนชาวโลกบอกเทกระเป๋าเราไม่มีกระเป๋ามีแต่ย่ามย่ามว่ามีผ้าอยู่ชิ้นหนึ่งผาเอาสองชิ้นนะผ้าปูนั่งกับผ้ารับประเคนก็แปลงสีฟันมีแ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 ถัดจากนั้นกลับมาอยู่กับโลกอย่างนี้เวลาต้องการทําความสงบนะก็จะเข้าสมาธิที่ใช้ผลผลละจิตจะเกิดผลละจิตเห็นนิพพานเป็นอารมณ์เกิดซ้ําๆๆไปพุทธจาก็ไม่ต้องสอนใช่ไหมเพราะว่าทําเป็นเองเนี่ยมันจะเป็นอัตโนมัตินะอย่างพระโสดาสกทาขาพระนาคาเนี่ยเวลาจะไปทรงพระนิพพา น, านพักอยู่กับพระนิพพานท่านาจะมาดูสังขาร ดูธาตุดูขันดูกายดูใจนี่แหละเจริญวิปั ส, สนาจเจริญซ้ําไปอย่างนั้นนะทั้งที่ผ่านแล้วจเจริญซ้ําไปนะจิตจะวางอย่างรวดเร็วเลยพอวางพุ่มก็ไปเจอพระนิพพานไปส่งปลจิตอยูนะ่แต่อย่างพระละหันเนี่ยท่านมานาัสิกานถึงพระนิพพานตรงๆเลยก็เต็มนึกถึงพระนิพพานจิตก็ทรงพระนิพพานอยู่แล้วนะวก็มีความสุขอยู่งั้นทั้งวันนะส่งอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ตามใจนะแล้วแต่จะพักผ่อนเป็นที่พักผ่อน เวลาทำสมาธิจะไม่ส่งจิตไปเข้าสมาธินะไม่จำเป็นต้องส่งจิตไปที่ไหนเลยไม่ต้องส่งไปปลงมาโลกจะไปเข้าสมาธิเสียเวลานะแล้วจิตจะมีความสุขนะเป็นเครื่องพักนี่ครูบาอาจารย์สอนมาว่านอะาจารย์จ้สอนสืบทอดกันมาแล้วหลวงพ่อก็บอกต่อครูบาอาจารย์หลวงพ่อมาเทศน์ที่นี่แหละ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 ค่ะณปัจจุบันนี้นะคะก็ดูจิตกับดูกายสลับกันไปแต่มีความรู้สึกว่าตัวฟุ้งมากกว่าตัวรู้ตัวอะไรนะฟุ้งส้นโอยธรรมดาตัวรู้นานๆมีทีมีก็อยู่ไม่นานตัวฟุ้งมันมีเยอะเพราะฉะั้นต้องช่วยมันตลอาหัดพุดโทโธหัดหายใจไปจิตหนีไปแล้วรู้ทันถ้าฝึกอย่างนี้ชำนาญ น, นะตัวฟุ้งก็จะสั้นลงสั้นลงนะ mm hmm. ถ้าไม่ฝึกนะฟุ้งทีหนึ่งไนดะ้แต่เช้ายันค่ำได้ตัวรู้มีแว บ, บเดียวก็ยมก็ทำวิธีนี้เดยที่ว่ามไม่รู้อะไรก็สร้างก็พุโทโธไว้ก่อนเออต้องอย่างนั้นสิทำอะไรไม่เป็น้็พุโทโธไว้อย่างงั้นถูกแล้วใช่ไหมคะถูกถูกออสองเดือนที่ผ่านมาเข้าใจว่าจิตไม่ค่อยถึงฐานเท่าไหร่ อ, อ่าไม่ไม่ถึงฐานรู้ว่าไม่ถึงฐานก็ดีแล้วนี่ก็ต้องฝึกในรูปแบบเพิ่มใช่ไหมคะ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 อ่าถ้าคืนนี้ตายก็ชาติหน้าปฏิบัติต่อเออถ้าไม่ตายก็มาฟังพระอาจารย์เทศเออต้องอย่างนั้นค่ะ<ด>แล้วก็มีอีกอันนะฮะยังไม่จบอีกเหรอสามข้อละอกี่ข้อีเดียวฮะอ้าวว่ามาอ่อจมเห็นเวลาโยมจะโกรธ น, นะคะอืมไอตัวอะไรไม่รู้มันขึ้นมาที่กลางหน้าอกอะเออนั่นแหละมันเกิดกลางอกแหละค่ะแล้วก็ครูสอนหน้าก็เกิดกลางอกอครูสอนี่ยเกิดกลางอกมัคคุณก็เกิดขึ้นกลางอกแหละ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 ไม่มีใครสู้ได้ท่านสร้างบารมีมาแสนมหากัาบเพื่อจะจับฉลากเป็นเบอร์หนึ่งนี่แหละเราก็งงๆนะตำแหน่งนี้เอาไปทำอะไรวะอ้าว <อา S 2> ว่ามามาการหลวงพ่อเอ่อฟังซีดีมาเนี่ยประมาณสามสี่ปีแล้วนะคะแล้วก็รู้ดูจิตอยู่เนี่ยะไม่ทราบว่าไปดูจิตอยู่หรือว่าไปรู้เรื่องที่จิตคิดคะ เห็นว่าร่างกายกับจิตเป็นคละนกันเห็นค่ะออเห็นไหมว่าความสุขความทุกข์กับจิตเป็นคนละอัเห็นค่ะเห็นไหมกิเลสกับจิตก็คนละอันนั่ น, หนแหละถูกแล้วแล้วนะคะเ อ, อ, อเถ้าทําไม่ถูกไม่เห็นหรอกนิมมิการหล่มพ่อครับกรรมนิมิตการนะครับผมก็มาเป็นครั้งที่สองแต่ก็ได้มาถาม ฮาพระอาจารย์ครับได้ปฏิบัติมาน้อยครับยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้แต่ก็ตั้งใจเอาสติปัฏฐานสี่เป็นกำลังหลักนะครับ อ, อ, อยากเจาะลึกว่าเวลาปฏบัติในรูปแบบในการนั่งสมาธินี่ครับต้องอยู่ในสภาวะที่เงียบหรือว่ามีเสียงธรรมะหรือว่าจะลืมตาหรือว่าหลับตาอย่างไหนที่จะเหมาะสมแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนนะไปนั่งที่สั ง, งัดมากๆนะจิตฟุ้งซ่าน นะบางคนนั่งรถเมลนะจิตรวมเาวมเาๆนะเสียงโครมคลามขนาดนนะั้นถอยในเพ่เดินในเพ่อะไรอย่างเงี้ยจิตรวมดีแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องดูตัวเองหลวงพ่อนี่แหละขึ้นรถเมลนะปฏิบัติเก่งมากเลยส่วนเวลาออกไปอยู่วัดป่าพอไปถึงวัดป่านาะการอบนี้ภาวนาให้หนักเลยวันแรกนะฟุ้งแหลกเลยเขาดูภาวนากันยังไงภาวนาไม่เป็นอนะ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 มันจะแว บ, บๆค่ะคือเดินไปรู้ว่าเดินแล้วก็เห็นตัวเองหลงไปคิดตอนหลังนั่นแหละฝึกเยอะแล้วแหละขันมันถึงจะแยกได้นะจิตเดตั้งมั่นขึ้นมาตอนนี้พยายามจะเดินมากขึ้นแต่ยังไม่ได้ทุกวันแต่ก็พยายามจะหาเวลาในชีวิตการทํางานหรือว่าหลังเลิกงานก็จะพยายาม ค, คือกระทั่งเดินไปกินข้าวเดินไปเข้าห้องน้ําก็เก็บหมดเลยนะหลวงพาก็ทําอย่างนั้นเอาหมดเลยเออต้องใหญ่นั้นแหละ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 ค่ะแล้วมันสว่างแต่พอสว่างแล้วหนูกลัวหนูก็เลยลืมตาก็ เ, าเหรอจิตก็ถอนแล้วแต่ไม่ใช่ว่าหนูกลัวแล้วจิตถอนนะจิตถอนแล้วหนูถึงกลัวถ้าจิตทรงสมาธิอยู่ไม่กลัวหรอกอค่ะอย่างเวลาเราเห็นผีนะะผีมาเคี้ยวงงมาเลยผีตัวนี้น่าเกลียดผีตัวนี้น่ากลัวอนะไรอย่างเนี้แต่ถ้าเราอยู่ในสมาธิเราไม่กลัวหรอกอ๋อค่ะแต่ตอนที่เราอยู่อย่างเนี้นะอยู่เรากลัวเพราใจเราฟุ้งซ่าน อย่างนี้หลวงพ่อว่าหนูจะลองหัดกลับไปนั่งดูลมนั่งได้แล้วนั่งได้ด้วยกับเดินได้ใช่ไหมได้ได้เพราะว่าเราวางจิตถูกแล้วแต่ก่อนนี้ต้องหยุดการนั่งไปก่อนบางคนเลยไม่เข้าใจหลวงพ่อนะแต่ก่อนหลวงพ่อบอกบางคนบอ้ยอย่าเพิ่งนั่งอย่าเพิ่งนั่งสมาธิถ้าไปโจมตีเรานะว่าสอนไม่ให้นั่งสมาธินั่งโง่อย่างนั้นไปนั่งทำไมอะให้ได้รู้เนื้อรู้ตัวซะก่อนแล้วเข้าไปนั่งง่ายเลยแาวนี้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 นั่นแหลเจตจะได้ตั้งมั่นเพาะจิตตั้งมา่นแล้วขันแตกออกไปขันแยกออกไปค่ะหนูจะพยายามมากกว่เดิมค่ะเดินไปทํานะค่ะอย่าพยายามมากพยายามพอดีพอดีน้ำพระเจ้หลวงพ่อมาส่งกันบ้านทางแรกเคยฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณหนึ่งปีกว่าๆแล้วค่ะตอนแรกที่เริ่มมาฟังเนี่ยคือทุกข์มากเพราะว่าป่วยด้วยโรคโรคหนึ่งที่แับทุกข์สุดๆจนคิดอยากจะ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 ดังนั้นจะ<ช>ไปบีบไปเคดจิตมากคล้ายๆว่าจะเอาให้ได้อะนิะนสัยแบบรุนแรงะนะใช่เปล่าใช่ๆช่ค่ะนะยไปเล่นอย่างรุนแรงดูกลไปดูไปสบายๆเหตุร่างกายยืนเดินนั่งนอนเราดูสบายๆหนูอย่าทิ้งคำว่าสบายนะหนูไปทิ้งคำว่าสบายหนูจะทิ้งหนูจะไปเอาคำว่าจะจับให้มั่นคันให้ตาย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 ที่ที่ผ่านมาประมาณสองสามอาทิตย์มันรู้สึกเจอคล้ายๆแบบอยากดีอยากเร่งมากเกินไปรู้สึกมันเป็น่าระก็เลยคิดในใจว่าจะปฏิบัติตามตามแผนก็คือสวดมนต์ทำสมาธิไปแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่ต้องไปคิดเร่งคิดอะไรมากไม่ทราบว่าถูกอย่าไปอยากนะยิ่งเร่งจะเร่งมันอะจะเร่งให้เร็วเหรอรู้สึกว่ามันแบบ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 นรัสการเจ้าค่ะฟังเสีดีหลวงพ่อตั้งแต่ปลายปีห้าศนย์เจ้าค่ะแล้วก็มีมีบางคนเขาพูดว่าหลวงพ่อให้ทําให้ดีฉันจิตตกไปแบบไม่เชื่อเขาแต่ว่าจิตตกค่ะจิตไม่มีตกนะจิตมีแต่เกิดแล้วก็ดับถงแต่จิตที่กูเป็นกูศ่นนั้นมันเกิดแล้วมันดับไปสาธุเจ้าค่ะก็เลยอยากจะขอขอเข้ามาหลวงพ่อเจ้าค่ะขอขมานะหั่งขามิ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 มันมันขยับอีกขึ้นมาอีกข้างบนนึงแล้วมันก็รู้แล้วว่ามันต้องออกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากรู้ว่าคือภาวนาน ะ, ะอย่าอยากสงบภาวนาสบายๆไปหายใจไปรู้สึกตัวไปทำสม่ำเสมออย่าอยากสงบอยากสงบจะไม่สงบเลยนะถ้ารู้เล่นๆรู้อย่างมีความสุข อย่างนี้ควรจะยังนั่งต่อใช่งสไหมลุมั น, ม, นมันฟุ้งก็ชั่งมันก็ลุมแล้วก็กลับมาดูลมหายใจที่หยาบที่อะไรก็คืออย่างนี้อย่าไปนั่งเพื่อให้มันสงบเจ้าค่ะนะนั่งรู้ทันมันเท่านั้นแหละนั่งไปหายใจไปจิตฟุ้งซ่านหรือว่าจิตฟุ้งซานจิตสงบรู้ว่าจิตสงบอย่างนี้เรียกว่านั่งเป็นถ้านัง่งแล้วจะไปเค้นให้สงบไม่สงบหรอกถ้านั่งแล้วสบายใจแป๊บเดียวก็สงบแล้วเราเวลาพอดีแบบ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 ก็สักว่ารู้ว่าเห็นไปถ้าถูกมันครอบก็เสียอิสระภาพไม่ดีข้างนั้นแหละเพรนันจิกระทั้งเห็นครูบาอาจารย์นะบางคนไปเห็นครูบาอาจารย์นะ <c oughs> อย่างเนี้ยมาเห็นหลวงพ่อก็ทนไม่ได้เลย <c oughs> มันไม่มีสติเลยนะ <c oughs> นนถูกกิเลสถูกความปราบปลืม้มไม่ใช่กิเลสหรอกปีติครอบงาจิตมากไปต้องเป็นตัวของตัวเองนะ <c oughs> อย่าฝึกให้เข้มแข็งไว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 อ๋อใช่เจ้าค่ะค่ะที่ที่ปฏิบัติมาถูกถูกแล้วใช่ไหมเจ้ า, าปฏิบัติก็ถูกแล้วไม่ปฏิบัติแล้วผ<อ>ิดแน่ขอขอบคุณเจ้าค่ะมรการท่านหลวงพ่ อ, อส่งการบ้านหลวงพ่อมาตั้งแต่มาได้ประมาณปีเจ็ดเดือนนะครับที่สวสนสมิธธรรมห <c oughs> ลวงพ่อให้ไปดูไปอแยกกายแยกจิตมาแยกผู้รู้มาครับอืก็กลับไปทําก็ มีอยู่ช่วงหนึ่งครับขีม่มอเตอร์ไซค์กลับจากที่ทํางานครับก็รู้สึกว่าแขนแขนไม่มีครับอือ่าใช้ตาชําเลียงดูแขนก็ยังมีอยู่ครับอืแต่ว่าทีนี้มันมันมีความสุขว่ามันไม่มีครับอืก็นานพอนสมควรก็ได้ได้ได้คําลวงพ่อแจนว่าอย่าทําอย่าพโนาตอนขับรถแลีวจิ้วจิ้วเปอุบัติเใช่ใชก็ก็เลยพยายามสลัด<แ><ม>อันนั่นแหละจิตมันมีสมาธิขึ้นมานะจิตมีสมาธิให้จิตรวมไปแล้วมองถนนไม่เห็นเล แล้วนานพอสมควรครับประมาณสักสองรอยเมตรถึงถึ ง, ถงอันนั้นหมายถึงแขนหายไปเลยใช่ไหมอันได้เป็นสมาธินะจากช่วงช่วงไหลไปถึงเนี่ยเป็นสมาธิแต่ถ้าแยกขันที่หลวงพ่อบอกอะคือกําลังมีทั้งตัวอยู่เนี่ยแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรานะมันโคนละอันกันความคุณก็ทําเป็นอยู่แล้วเราอีกบันหนึ่งต่อมาครับนั่งนั่งทําในรูปแบบตอนเชา้าครับอเจ็บที่ข้อเท้าครับแล้วก็ใช้นึกถึงคำหลวงพ่อที่บอกว่า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 เห็นความชอบเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เห็นอะไรนะความชอบครับชอบเรารู้ทันนะครับแล้วก็แบบสู้แบบหลังชนฝาครับตอนนี้ก็พรอมานาไปด้วยก็พยายามรู้ไปเรื่อยๆเลยครับเรารักษาศีลไว้นะยังไงก็ไม่ผิดศีลแล้วก็จิตใจของเราตั้งมั่นจิตของคุณอ่ะมันตั้งมั่นอยู่แล้วละขันมันแยกได้จิตมันก็ตั้งมั่นอยู่นะก็รักษาศีลห้าไว้แล้วเจริญปัญญาดูมันทํางานดูกายทางานดูใจทํางานไปเรื่อยเห็นแต่ไตรลักษ เห็นไหมมันใจรักทั้งนั้นนะเห็นจนจิตมันพอนะใช้ได้นะพนาดีแล้วถ้าจะเพิ่มไปปรุงอสุภะต่อได้ไหมครับช่วงที่เราชอบแล้วก็ดึงมาปรุงได้อสุภะนั่นเป็นสมถะนะถ้าเราอย่างจิตมันมีราคาไปเห็นสาวมันสวยนะใจมันชอบรู้ว่าชอบแล้วมันดับนี่เจริญปัญญาไปอย่างนี้มีสติรู้ทันอย่างนี้ก็ใช้ได้แต่ถ้ามันไม่ไหว พิณาอสุภะทำเอาสมถะามาช่วยเลยใช้ได้ขอบคุณมากเพราะนาดีนภัส ก, การค่ะว่าคือตอนนี้ที่ปฏิบัติอยู่ในรูปแบบนะคะโยมเดินเหมือนเดินเดินเล่นเดินจงกรมอยู่ตรงหน้าหิ้งพระแล้วก็ภาวนาไปด้วยเสระวเวลาที่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 ค่ะแต่เวลาที่ไม่ใช่ปฏิบัติในรูปแบบที่บ้านเน่ยเวลาขับรถเนี่ยมันจะไม่ได้ดูการจะดูอย่ า, ยางตอนที่ขับรถไปเนี่ยชอบสวดมนต์หรือไม่อีกทีก็เปิดซีดีธรรมะเนีย่ยเวลาสวดมนต์หรือเปิดซีดีธรรมะพอจิตแวบออกไปก็รู้ว่าแวบออกไปกลับเข้ามาก็รู้ว่ากลับเข้ามาตแต่ว่าต้อเห็นถนนนะแต่เห็นถนอนไองออนะแต่แพอไ ม, ไม่ใช่สักแต่ว่าเห็นด้วยนะค่ะเห็นไฟแดงก็ต้องรู้ว่าแปลว่าอะไรนะถ้าเห็นแล้วสับไว้แย่นลย